กับศาสนาอื่นนั้นเหมือนกันเพียงแต่วิธีการนําเสนอที่แตกต่างกันเท่านั้นท่านผู้ใดคิดว่าศาสนาพุทธกับศาสนาอนนื่นนั้นเหมือนกันช่วยกรุณายกมือขึ้นหน่อยสิครับขอบคุณครับท่านผู้ใดคิดว่าศาสนาพุทธกับศาสนาอื่นนั้นไม่เหมือนกันช่วยกรุณายกมือขึ้นหน่อยสิครับ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 สามมีความเห็นถูกต้องถูกตรงเป็นสัมมาทิฏฐินี่คือละชั่วทางมโนกรรมหรือทางจิตใจสมประการนั่นเองถ้าหากว่าท่านที่เคยได้มีโอกา ส, สศึกษาธรรมะมาบ้างอาจจะเคยได้ยินคำว่าละอปุสลกรรมบทสิประการนั่นเองคือละกายทุจริตสาประการละวจีทุจริตสี่ประการละมโนทุจริตสามประการ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 บอกไม่เกี่ยวคำว่าอนุโมทนาไม่อยู่ที่คำพูดนะอยู่ที่ใจผมก็บอกว่าเมื่อสองปีที่แล้วน้ำท่วมกรุงเทพเยอะเลยสมมติว่าหนูเนี่ยเอาข้าวกรองเอาน้ำดื่มไปแจกคนที่เขาน้ำท่วมแล้วกลับไปบ้านก็บอกปะป้ามาม้าวันนี้หนูเอาข้าวกรองกับน้ำดืม่มไปช่วยคนเขาน้ำท่วมปะป้ามาม้าว่าดีมะป้ป้ามาม้าพูดภาษาไทยไม่ได้ไงก็เลยตอบเป็นภาษาจีนว่าห่อห่อห่อห่อแปลว่า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 ได้ยินในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนสองสิ่งที่มันสงสัยคาใจอ่ะมันคลายความสงสัยสามสิ่งที่เข้าใจอยู่แล้วมันเข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนมากยิ่งขึ้นสี่ทให้มีดวงจิตที่ผ่องใสห้าทให้มีความเห็นถูกต้องถูกตรงเป็นสัมมาทิฐินี่คืออนิสง์แห่งการฟังพระธรรม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 น้องเข้าตูเดินกลับไปรู้สึกตัวหรือลืมตัวครับเห็นัหมรู้สึกตัวก็ได้ลืมตัวก็ได้การปฏิบัติธรรมมิได้ปฏิบัติเพื่อให้เกิดสติตตลอดเวลานะครับทำไม่ได้นะครับอย่าทำตัวเป็นพระอรหันนะพวกเรานี่มันต้องรู้รู้เผลอแต่สัดส่วนเผลอมันจะเยอะกว่ารู้นะ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 แต่เห็นไหมมีคามําว่าแต่เราก็เผย อ, อีกแหละเผยเผอส่งจิตออกนอกไปไหนเองแน่แค่ไหนมาดา่าฉัน <c oughs> เห็นไม่มมันส่งออกนอกมันก็ปึดปืดปื ด, เ ป, ด, เ, ปดเป็นความโกรธตัวที่สองโผล่มาใหม่รู้มันใหม่เป็นต้นฝึกรู้ฝึกดูแบบนี้บ่อยๆนะครับทําตัวเป็นคุณนายอย่าทําตัวเป็นใ ย, ยเจ๋วเข้าไปดัดแปลงแทรกแซงทีนี้ในเชิงของสมถะถูกด่าเหมือนกันพอถูกด่าปโ็โกรธไหมโกรธ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 ไม่มีความจำเป็นจะต้องเอาความมืดโยนออกทางประตูเอาความมืดคุยงออกไปทางหน้าต่างไม่จำเป็นล้วทำไงอ่ะเปิดไฟสิครับแค่เปิดไฟดวงเดียวความมืดซึกหายหมดเลยเมื่อใดก็ตามที่มีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวอยู่มันเป็นายกุศลอกุศลครอบงำจิตไม่ได้เป็นต้นเห็นไหมครับแค่นี้เองพออธิบายความยกตัวอย่างสาธิตวัยรุ่น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 เขาตั้งหัวข้อมาแล้วผมก็ตอบเป็นคำถามคาตอบแบบง่ายๆเดิมทีนิสิตเปียโทจะส่งอาจารย์เป็นเปเปอรเปเป็นชีเแต่ท่านเหเนว่าเปเปปรปโยชน์ก็เลเลงขันเปนาา เ, เปเปเปเปเนเปเปเปอปเาเาเปเปเปเปเปเปเปเปเปเปเปเปเปเปเปเปเปเปเปเปเปนปาปาปเปเปเปเนเปเปเปเปเปเปเปาปเปเปเปเปเปเปเป